ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หรงพ่อโพธิญาณก็คงพูดเรื่องทานบวารมีต่อไปคือพูดถึงสาเหตุนะฮะสาเหตุที่ทำให้คนให้ทานแล้วเราเห็นชัดเจนว่ามันมีผลที่ลดหลั่นแตกต่างกันเพราะว่ากุศลธรรมทั้งหมดมันจะต้องลดกิเลสแล้วก็เพิ่มธรรมะ ลดความทุกข์แล้วก็เพิ่มความสุขผลตัวตัวตัวฐานหรือฐานสิเนี่ยก็ตามนะฮะตัวบุญนก็แล้วกันปู่เจ้าสัง่งเออทรงทรงใช้คำว่าสุขัดเสตังอธิวัตจหนังคำว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุข น, นั่นเองสุขสงบเย็นปีติปรามโมทย์ก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะอาการของใจที่มันสงบเย็นนะ่ในกรณีการให้ทานเพราะหลงนี่มันมีเยอะ บางทีหลงจนหมดเนื้อหมดตัวนะถูกบอกลอกกันหมดเนื้อหมดตัวถ้าท่านสาธุชนลองมองย้อนหลังประวัติศาสตร์ของเราไปสักเท่าไหร่ล่ะตั้งแต่16นะฮะ16เป็นต้นมามันเกิดภาวะวิกฤตทางอารมณ์ทางสังคมคือถ้าเราแบ่งเป็นยุคประมาณสัก4ี่ยุคนะยุคตรงนั้นนะหลัง14ตุลาเนี่ยเขาเรียกว่า ทั้งคนมันตกอยู่ในสภาพของขวัญกระเจิงคือตื่นสนุกสูญเสียความมั่นใจในชีวิตในทรัพย์สินในอนาคตออกจากบ้านไม่แน่ใจจะกลับบ้านได้หรือไม่นะแล้วก็เป็นรวงเป็นใยที่บ้าน่าไปถึงบ้านบ้านจะมีทรัพย์สินปกติอยู่หรือเปล่าลูกไปโรงเรียนก็วิตกกังวลจะเป็นอันตราย เราต้องมีใช้โทรศัพท์ไรต์ไรต์ในการภายหลังที่เราจะเห็นว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่มันพรวดพลาดขึ้นมาเจ้าของรวยมหาศาลเนี่ยครับเพราะตรงเนี้เมื่อเกิดวิตกกังวลจนเครียดแล้วก็เป็นห่วงเราอยู่ตรงนี้ลูกอยู่ตรงไหนพ่ออยู่ตรงไหนเมียอยู่ตรงไห น, น, นก็โทรศัพท์กันวุ่นวันๆในค่าใช้จ่ายเกียวกเป็นห่วงใหญ่ในมันเยอะเลยนั่นคือสภาพขวัญกับเจอก็ขวัญก็เจอมันก็ดิ้นรนเพื่อหาที่พึ่งมันก็ยุกชีแสวงหาเขายุกสวงหา เราจเหนว่าในยุคนั้นมันเกิดหมดเลยการทรงเจ้าเข้าผีก็ตามมาเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่เกิดเยอะเลยพระตําหนักทั้งหลายนี่เกลื่อนไปหมดเลยแต่โดยเฉพาะแถวสมุดประการแถวนี้ยเราจะเห็นว่าเยอะไปหมดอ่ะเวลานี้ก็คนเนั้นเนี่ยคนคธรรมดาธรรมดารวยกันเป็นการใหญ่มีลูกชา้างมีร่างทรงต่างเกิดขึ้นแล้วก็อะไรล่ะพระเครื่องรางของขลังก็ดังในยุคนั้นแล้วก็ อะไรอะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายร่างอะไรอะเทวดาของพราหมณ์บ้างของของจีนบ้างเนี่ยฮะเต็มเกลื่อนไปหมดตลอดทั้งเสีชีพไพรก็เกิดขึ้นแม้แต่สำนักกรรมฐานก็เกิดขึ้นในยุคนั้นดีบ้างไม่ดีบ้างนะฮะก็แล้วแต่แต่ว่าก็คนก็วิ่งสับสนอนะเพะวิ่งสับสนสภาพจิตแกไม่ปกติอะกวนก็เจอ มันก็พอเย็นขึ้นหน่อยแกก็เข้าใจว่ามันมั น, ม, น, ม, นมันถูกมันถูกต้องมันดีกว่าเดิมนะฮะมีการโอกอวใจมีการประราพันโลมมีวิธีการบริหารการจัดการเข้ามาแถมกระมาในเรื่องนั้นแล้วก็ไปกันใหญ่เลยเคยรู้ถึงคนคนหนึ่งเนี่ยเอาทีด่ดินตั้งแต่เนี้ยแถวสุขุมิทเนี่ยนะฮะตั้งเก้าชนดไปให้เจ้าแม่หมดเลยแล้วต่อมาก็ หายนะฮะแม่ก็หายไปแกก็กลัวก็ซึมเศร้าและนะนสงสารแล้วรายการต่อมาก็มาถึงยุคที่เราเรียกว่าอะไรล่ะพอพอมันมันวิ่งกระหาที่พึ่งแล้วเนี่ยมันถ้าได้ที่พึ่งก็ดีไปพอไม่ได้ที่พึ่งเราก็สูญเสียทรัพย์สินเงินทองต่างๆก็หมดหวังก็กลายเป็นสภาพสิ้งซึมเศร้ามือลอยแล้วกลายเป็นอาการจิตประสาทต่างๆจนถึงกับ ประมาณเท่าไรล่ะประมาณสักสองเจ็ดไม่ใช่สองเจ็ดส3มเจ็ดสาแปดสามหกสม็ดสมแปดอะไรแต่เนี้ยแล้วก็มีอาการจนมีตัวเลขออกมาว่ามีคนเป็นอาการทางจิตประสาทถึงสิบสี่เปอร์เซ็นในบางสายบางสถาบันนะฮะก็สยดสยองพอสมควรแล้วในที่สุดพอมาถึงจุดนั้นเราก็จะเห็นว่า อะไรล่ะยาบ้ายาเนี้ยายายาทั้งหลายเนี่ยเปิดเกี่ยวกับประสาทปรสาทผนก็มาเลยนะเก้าจังหวะาศาสนาเองการศึกษาเองแรงประทะต่ําแล้วไม่ตื่นจะหนกไม่ตื่นตัวในเรื่องแอกนี้ที่จริงเราสามารถจะป้องกันได้มาตั้งแต่นนั้นนะฮนะตั้งแต่หลังสิบสี่ตุลามาได้เริ่มปรับทิศทางเริ่มแก้ไขแล้วก็ให้มั่นคงหนักแน่นาอาจารย์เขาได้ก็เอาเลยแล้วก็ลุยไปเลย มันที่จริงมันมันก็จากการสังเกตเนี่ยเราเพบว่าเราก็จับประเด็นกันไม่ค่อยได้อะไรนะมาก็คลุกคลีอยู่ในวงการที่เกี่ยวกับหลักสูตรเกี่ยวกับกา ร, ขรเขียนตำนาอะไรแต่ละบรรณานะก็เวลาเราไปชุมเราก็นั่งฟังแล้วเออมันก็ยุ่งๆนะประวัติเรียนกันมาคนละทิศละทางและในที่สุดเนี่ยมันไปยึดติดในรูปแบบคือไม่ได้มองในกรณีที่มันเป็นเนื้อหาวันนี้หาจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไห น, นอะไรคือหัวอะไรคือหาอะไรคือเหตุอะไรคือผลเนี่ย ที่เรเบี่ยมองอย่างนั้นและในสุดมันก็เกิดเป็นความสับสนแ ล, ดดดดแล้วก็ไปยุติไปยุติเพราต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างเดียไม่ได้เอ่อยกตัวอย่างง่ายๆคือชอบยกตัวอย่างเพราะว่าคํามันมันแค่หลายปีเยาวชนสากลสมัยรัฐบาลเปรมตินสสุรานนท์เนี่ยมันมีคําขวัญทีนั่นน่ยหกคา ของคุณเพลมบอกว่าสามัคคีมีเป็นในฝ่ายคุณธรรมองค์การสหประชาชาติบอกว่าร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไปหาสันติคือถ้าเรามองแบบปัจจัยการคือมองทั้งระบบนะเราจะเห็นว่าตัวการหลักมานนตัวมันหัวมันอยู่ตรงตรงแห่งเดียวแล้วนอกนั้นก็คือเป็นลำตัวแล้วก็ไหลไปสู่หางไปสู่ผลที่เราต้องการนะคือสันตินี่มันเป็นผลอยู่ตอนปลายมันเป็นนิโรธ คือคนเราเท่าฝ่ายคุณธรรมก็คือเป็นคนที่อยู่ในระเบียบวิ น, นัยครองชีวิตมีระเบียบวิ น, นัยทำงานมีระเบียบวิ น, นัยมีความรับผิด ช, ชอบนะมีความซื่อสัตย์สุจริตเปความตรงต่อเวลาอะไรต่อะรเนี่ยแล้วก็กลายเป็นการร่วมแรงแข่งขันเองในอ่าการเป็ น, เ ป, นเป็นสามัคคีกันเอง สามัคคีก็คือประสานกันส่งเสริมกันสนับสนุนกันช่วยเหลือกันร่วมกันก็นแล้วแต่วิธีนะสามัคคีไม่ได้หมายความว่าจับเรื่องเดียวกันตลอดมันส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันอะไรกัน เ, นเช่นกายจะสามัคคีเนี่ยกายของเรามันสามัคคีกันเห็นไหมวัสมรุตาจะดูเนี่ยแต่ว่าสิ่งนั้นมันอยู่ไกล เท้าก็ต้องก้าวไปมือก็ต้องประคองกายไว้นะฮะตาก็เพ่งไปหูก็ต้องเงี้ยวฟังประสาททั้งหลายมันก็ทํางานประสานกันแต่ตัวหลักตรงนั้นเนี่ยคือตาเท่านั้นเองตาเป็นประสาทหลักในขณะ น, น, นั้นนะฮะแต่ถ้าเท้าเกิดไม่เดินขึ้นมามันก็จบแล้วมันก็ไปไม่ได้แนละนี่คือเรื่องกระบวนการมันเกิดเองเลยธรรมชาติของมันทีนี้พอสามารถขี่แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นการร่วมแรงแข่งขันเอง พอร่มแรงแข่งขันในผลงานมันก็เป็นพัฒนาสร้างสารรค์เองไม่ต้องไปเรียกมันหรอกมาเองแหละแล้วก็สติมันเกิดเองเห็นไหมฮะมันเป็นกระบวนการอย่างเงี้ยเป็นกระบวนการอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจับประเด็นเขาไม่ได้นะจะบูัวจัผ า, างไม่ได้แล้วในสุดก็ข้อความเนี่ยมันจึงเยอะเลยหุ้งเฝื่อยเยอะก็อย่างพระราชบัญญัติการสาธบรบปัจจุบันเนี่ยนะที่ประกาศใช้ใหม่ๆวังกรอนก็ไปร่วม เป็นวิทยากรก็ที่สามพรานก็สรุปก็ตั้ฟังนะเพ ร, ราะว่าระดับปัญญาปฐโทปัญญาเอก<เ>นั้นใหญ่โตโตโตก็เราพูดเฉพาะประเด็นของศาสนาคือบอกว่าไอ้ที่เราพูดใหม่เนี่ยคําพูดใหม่ที่พูดวันดีเก่งมีความสุขหรือเ อ, อเก่งดีมีความสุขหรือว่ามีความสุขมีเป็นความเก่งมีความดีอะไรก็ช่างมันแหะอะไรกุ้งก่อนก็ได้ไม่ได้แปลกอะไร แต่เราจะต้องเข้าใจว่าโดยเนื้อหาแล้วเขาคืออะไรมันจะมีทิศทางในการเดินเกรงใจว่าถ้าเราขึ้นที่ดีก่อนก็คือดีก็คือบริสุทธิ์ที่คุณเก่งก็คือปัญญาคุณแต่เทียบคุณพระพุทธเจ้านะมีความสุขก็คือกรุณาคุณก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าขับเคลื่อนได้ไหมละ่ะเอาให้ตลอดเพราะว่ามนุษย์มันก็เท่านี้นะนะมีปัญญามีใจบริสุทธิ์ แล้วก็สัมผัสสังคมด้วยความเป็นมิตรด้วยความเป็นมดดมเนมตตากรุณามันก็กินโลกได้หมดแล้วไม่ต้องเอกมากอะไรอะแต่าทํำยังไงว่าพยายามขับเคลื่อนไปให้ได้แล้วของเรามันแก่คําขวัญเยอะเมืองไทยในคําขวัญเยอะไปหมดเลยแล้วเห็นทําได้นะ่ะคนเจ้าของคําขวัญนางทีก็ทําทอะไรไม่ได้เมื่อจะเป็นปัญหาคืออุดมการณอุดมคติเนี่ยมันไม่ต้องมากหรอกเราเห็นว่าธรรมะระดับอุดมการณในพระศาสนาเนี่ย ก็คือขันตินิพพานแล้วก็การไม่เดียดเบียนสัต์การไม่ฆ่าสัตร์การไม่เบี ย, บยน ส, าาายยนสัตว์ตามหลักอวาปติเป็นปฏิโมกต์นะข้างบนนะ่ะนั่นก็คืออุดมการณ์แล้วก็เสร็จได้ว่ามมีหลักการมีวิธีการที่จะขับเคลื่อนไปสู่อุดมการณ์แต่พอเข้าถึงอุดมการณ์หมายความว่าตัวหลักการวิธีการเองเ้าก็สมบูรณ์ก็สมบูรณ์ เพราะถ้าไม่สมบูรณ์ก็ยังไม่ถึงอุดม ก, การณ์มันก็ยังไป ย, ยังกันมาอย่างนี้เพราการให้ทานบางอย่างเราจึงเห็นว่าไม่บรรลุเป้านะฮะเพราะว่ามันองค์ประกอบในการให้เช่อนอีกผู้หนึ่งก็ให้ทานพวกกลัวให้ไปด้วยจํานวนด้วยยอมกลัวเขาจะไม่ยกย่องกลัวจะไม่ได้พวกไปได้เพื่อนมันก็ส่วนใหญ่มันเป็นลักษณะของการอ่อยเยื่อหรือการป้องกันตัวเอง จะทําให้การให้ทานเนี่ยจิตใจมันมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากจิตใจของผู้ให้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็บางคนให้ทานเพราะอะไรละ่ะเขาเรียกว่าอนุยาตคือยันตามสกุลตรงเนี้ยพอแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาทันเคยถามมาเราก็สืบสารอันนี้ยขนดธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม พื้นฐานเนี่ยคือกระตันอยู่ต่อบรรพชนแล้วก็เห็นคุณค่าของการให้ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าการกระทำอย่างนี้ดีเพราะว่ามันมันมีตัวอย่างที่ปุญญาตยายบรรพชนท่านอยู่ดีมีสุขร์มาคนนี้ก็ทําหน้าที่สื่อสารสมนวนบาลีเขาเรียกว่าอนุญาตยันตามสกุลแบบแผนต่างๆปุญญาตยายท่านสร้างมาท่านกระทําอบรมมาเราก็ให้ฐานปฏิบัติตาม มาเคยไปพบวัดวัดหนึ่งที่จังหวัดนคร อ, อ่าจังหวัดนครนายกนะชื่อวัดอุดมธา น, นีหลายปีมาแล้วประมาณตศะะ .2511 นะเคยไปพักแล้วก็ไปเป็นธรรมทูตไปอบรมประชาชนพักอยู่หลายวันเป็นวัดที่แปลกคือสกูลเดียเนี่ยเข้าบำรุงอยู่แล้วปู่ย่าตายายก็อุทิศที่นาคงคงหลายร้อยไร่หลายพันนะนะ เก็บผลประโยชน์ค่าเช่านาเนี่ยบำรุงวัดแล้วก็ลูกหลานก็ต่อกันมาเป็นแถวแล้วในขณะที่เข้ามาเลี้ยงค้ากันเนี่ยมันมาประมาณสามสามชั้นอาจจะพ่ออาจจะลูกหลานนะมากันหมายความว่าก็คนก็ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆแล้วก็ถามว่าวัดนี้อยู่นานเนีย่ยเบอกว่านานแล้วก็สร้างก็ต่อกันมาอย่างเงี้ยตะกูลเดียวเป็นหลักตะกูลเดียเป็นหลัก แล้วก็ลูกหลานแต่และคนก็มีความแค่มชื่นเบิกบานแจ่มใสแล้วก็มีความผูกพันกับพระกับวัดกับาศาสนากับธรรมะก็เป็นเนี่ยแนวยันแนวยันตามสกุลบางคนให้ทานเรานึกว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะเข้าถึงโลกสวรรค์ไอ้นี่เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาพูดถึงอันิสงส์ของการทาความดีทั้งหลาย ไม่เจาะตรงทานนะฮะเจาะอะไรก็ได้ถ้าระดับศีลธรรมจัน ญ, ญาไม่ใช่ระดับชานนะฮะไม่ใช่ระดับชาญระดับชาญมันจะนอีกระดับหนึ่งระดับศีลธรรมจัน ญ, ญาพวกให้ทานพวกรักษาศีลพวกนี่มีน้ําใจเอื้อเฟื้อพวกสื่อสัตว์สุจริตอะไรแต่ไรเนี่ยมันจะลงที่ข้อรองสุดท้ายกับสุดท้ายนี่จะเหมือนกันทุกแห่งเลยแล้วก็มีเป็นพันพันแห่งด้วยนะฮะ เป็นพระบาลีพุทธวจนะที่สมบูรณ์คือหมายความาม่หลงตัวบาลีข้อรองสุดท้ายอาจจะห้าข้อสวนมาก5้าข้อหกข้อนานๆจะเจ อ, เจอ10สิบข้อสิบเอ็ดข้อเนี่ยนานๆจะเจอก็บอกว่าอาศั้มมูลโหกาลังกะระโรติคือไม่หลงทากาลักิยาตาย กายยะสะเพดาปนามนาสุกติงสั ก, กังโลกังอุป ป, ปัจจ ต, ติเบื้องหน้าแต่ตายประกายแตกจะเข้าถึงสุคติโลกสวัสดิ์จะแสดงอย่างนั้นตลอดชาวพุทธไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะเชื่อใครที่ไหนแล้วนะทรงแสดงหลังจากศัสรู้แล้วเป็นความรู้จากพระยานที่อย่างการทั้งสามได้ต่อเนื่องถึงกันพนพื้นฐานความเชื่อตัวเนี้ย มันก็กลายเป็นพลังผลักดันที่เราจะเห็นว่าชีวิตข้างหน้านี่มันยาวกว่าชีวิตในปัจจุบันแล้วก็อยากจะบอกไว้ในที่นี้นะฮะเพราะเวลาพูดเรื่องสวรรค์นรกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดสวรรค์นรกในโลกปัจจุบันนะยังไม่เคยครบเลยที่พูดสวรรค์นรกในปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดทางภรษาทสัมผัสนะัมีนะเป็นความรู้สึกทางภาษาสัมผัสในขณะนั้นนั้นนะมี แต่ว่าไม่ได้ชี้ไปในรูปสวรรค์ถ้ารูปเปรียบเทียบที่มีนะฮะรูปเปรียบเทียบที่มีเคยพบเขนทรงแสดงก่อนจะไปพิ่านพวกสัตว์ลิชุีเขามาเฝ้าพระองค์กันที่สวนของนางอัมบาบาลีคณิกาเนะี่ยอัมบาาลีวันผลแปลงร่างกายประดับประดาประกวดประขันกนก็รับสั่งถามภิสูจต่างๆว่าเพกิสูจนายพวกเธอจะเห็นเทวดาชันดาวดึงไหม ตอนนั้นกวกยังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าค่าก็เ น, นี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยไกลดูคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่เหมือนนะคือคล้ายๆอนุนมันกลายทิพต้อนี้มันกลายมนุษย์มนุษย์มันกลายหยาบแล้วก็พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยบัณฑิตสมัยโบราณวิธีการคิดของบัณฑิตสมัยโบราณเป็นพัฒนาการทางจิตที่สูงส่งนะโดยเฉพาะ ท่านศีหเสนาบนดีที่ต่อมาบรรลุพระขนเป็นพระหันนะต่อนพระเจ้าแสดงเรื่องอันิสงส์การทานแกท่านเนี่ยท่านก็ยังเป็นสามัญชนธรรมดาคือพระเจ้าทรงแสดงตั้งหข้อนะแต่ก็มีสองข้อสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันอนย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยไอ้ไอ้ข้อที่หนึ่งเนี่ยคือผู้ให้ทานจะเป็นที่รักของผู้รับทานข้อที่สองเนี่ยสัตว์บุษทั้งหลายจะก็ป่าสมาคมกับผู้ให้ทาน ข้อที่สาเนี่ยเกียรติสัพปนีงามของผู้ให้ทานจะพุ่งกระจอนกระจายไปแล้วข้อที่4เนี่ยผู้ให้ทานจะองค์อาจกล้าหารมีสถานะมีเกียตรติมีศักดิ์ศรีเข้าไปในสมาคมใดก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงข้อที่ห้าเนี่ยคือไม่หลงตายข้อที่6ตายแล้ววังเกิดในสุคติทัานทีอาเซนาบาดีบอกว่าสข้อแรกเนะ่ยข้าพระองค์ไม่ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เพราะว่าข้าพระองค์ในฐานะที่ให้ทานอยู่เสมอเนี่ย มันก็สัมผัสดูตัวเองทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าสองข้อหลังเนี่ยค้าบรองค์ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคเพราะว่าพระผู้มีพระภาคศัตรูข้าพระองค์ไม่ได้ศัตรู้อ้นี้คืออามาว่าเป็นหลักมากเป็นหลักที่ว่าคนมีบา ร, รมรีสูงว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยท่านบนรรลุมรรคผลเป็นพระหันเลยคนจิตใจขนาดนั้นเนี่ยมันรู้กําลังตัวเองว่าตรงไหนควรใช้ศรัทธาเป็นหลักละ่ะ แล้วตรงไหนควรใช้ปัญญาเป็นหลกักบ่างแล้วคนที่เราศรัทธานี่คือใครมันควรแก่การศรัทธาไหมมันมีระบบในการคิดที่มีเหตุผลแล้วเคยสังเกตเยอะนะฮะพระเจ้าโกรับพยะก็ดีพระเจ้ า, า, จามังกรราชวันตีบูตรก็ดีเนี่ยจะใช้คําในลักษณะเนี้แต่เรื่องคนละเรื่องกันผู้คนละเรื่องกันแต่ว่าท่านท่านท่านจะบอกว่าข้อนี้พระราหันทั้งหลายท่านกล่าวไว้อย่างนั้นโยมก็ต้องเชื่อพระราหันทั้งหลาย ทีนี้บางคนให้ทานเนี่ยเพราะนึกว่าจิตใจเรื่อมใสความดีใจย่อมเกิดขึ้นตามลําดับไอ้ น, นี้ก็ชักจะเป็นก็ที่จริงก็คือธรรมาที่ปไตยทานแต่หมายความว่ามุ่งความเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจเนี่ยคือมุ่งตัวเหตุหลักเลยมุ่งความเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจของตัวเองพอจิตใจจะเกิดความเรื่อมใสแล้วจะมีความเรื่อมใสไปเรื่อยๆคือเคยพบเห็นคนบางคนเนี่ย ทานุบมรงพระภิกษุอยู่รูปเดียวสองรูปเนี่ยก็เลี้ยงดูกันมาตลอดจน ถ, ถึงลูกหลานเลี้เลยเป็นลุงตู่แล้วนี่เล้นมาดูแลนะฮะย่าตายไปแล้วทวดตายไปแล้วอะไรต่อเนี่ย ก, ก็ก็แสดงว่าใจมันก็เรื่องส่ต่ อ, ต, อต่อกันไปเรื่อยทีนี้ราการสุดท้ายก็คือเป็นเครื่องปรุงจิตเหมือนกันคือพระธรรมเทศนาในแนวเนี้ยมันจะมีลักษณะที่กรุงคนนี่มันเปลี่ยน เพราะเราเห็นว่าอรรมเนี่ยบางทีซรร้บาบังดีก็เพิ่มขึ้นพอคนฟังตรวนี้ก็สามารถเข้าใจได้นในระยะหลายๆพระเจ้าก็จะส่งแสดงในระยะเหล่อ น, นั้นออกมาในขณะเดียวกันเขาเรียกว่าทานนุปปติคือว่าการเกิดขึ้นด้วยผลของานการบังเกิดด้วยผลก็ทานพวกงั้นนะฮะ ก็เป็นการให้ทานเพื่อตายไปจะได้เป็นอะไรเนี่ยฮะตั้งความปราถนาขยไว้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่าไปจนถึงพรหมเลยนะก็หมายความว่าเพื่อตายไปแล้วจะได้เป็นกษัตริย์หรือเป็นเศรษฐีเป็นเทวดาชั้นจัตุมาราชชั้นดาวดึงชั้นยามชั้นดุสิตชั้นนิมมานีชั้นปรินิมิตตวสวัสดีแล้วก็เขาถึงพรห ม, มโลกที่จริงพรห ม, มโลกเนี่ยมันไม่อยู่ระดับทานนะฮะมันต้องได้ระดับฌานก่อน จะบังเกิดในพรหมโลกก้ น, นี้ก็หมายความว่าท่านรูค้คือคือ ร, ระดับเนี้สำรวจมาลีทันเรกทำกันหนึ่งว่าตกแต่งครบชาติได้ประนีตขึ้นเรารู้ศักยภาพของเราเราไปนิพพานยังไม่ได้หรอกแต่ว่าทํายังไงคือปิดประตูนรกให้ได้อย่าไปเกิดในน ร, รกแล้วถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีสถานะดีพอสมควรสถานะสมัยนั้นก็คือราชาเกษตรชี จริงมันน่าจะมีพวกพรามาสานิ่พวหนึ่งนะแต่ว่าเขก็มองไปที่ประราชาะกะับเศรษฐีก็ถือว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขนะฮะแต่ว่าเศรษฐีสมัยนี้ก็มีหนี้สินลดพ้นตัวเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ถ้ามี่สินลดพ้นตัวแล้วก็หมดสถานภาพเป็นเศรษฐีนะฮะแล้วก็ ก, การบังเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆการบังเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆมันขึ้นเกิดขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้ข้อว่าเรื่องสวรรค์เหล่านั้น วันเวลาบางทีแสดงเรื่องสวรรค์เนี่ยจะนำคล้ายๆกันํำชมวิมานไปเลยแล้วก็มีวิจิตพิสดารทีนี้ใครชอบใจวิมานไหนก็เอาก็ทำบุญแลปอธิษฐานใจขอเกิดในสถานที่นั้นที่นี้ที่น้อนอลแไแสดงก็แล้วแต่เราจะเห็นว่าด้วยกำลังของฐานที่บรรยาบกลางประนีตเนี่ยนะ ก็ทําให้ภูมิจิตมันหยาบ ก, กลางประณีตแล้วก็พบที่จิตจะไปอุบัติมันก็หยาบ ก, กลางประณีตขึ้นไปเพราะวันี้มันจะเกี่ยวโยงกันหมดเลยทั้งเจตนาทั้งการกระทําทั้งผลที่เกิดขึ้นกระต่งจากการกระทำมันมันมันจะเรียงกันเป็นแถวเลยมันก็กลายเป็นพบเป็นภูมินะฮะเป็นภูมิแล้วก็เป็นพบที่บุคคลนั้นจะไปอุบัติ ก็เป็นกระบวนการของปฏิการเราสามารถจะเชื่อมโยงให้เห็นต่อเนื่องกันไปได้เป็นนันมากนั้นก็แสดงว่าตรงนี้พระสารีบุตรท่านรวบรวมเอาไว้ในสังคีติสูตรก็เป็นพระสูตรที่แบบสังคายนานะแต่ว่าพระสารีบุตร ท, ท น, นิพพานเมืก่อนมาทำให้เสร็จก็ได้สูตรเดียวพระมา ก, กระสปะพระานุตพระรุตประหานห้รารอยรูปก็ทําต่อกันมาแล้วก็ดิจิงก็ได้เริ่มมาจากพระสารีบุตรนั้นก็คือแสดงให้เห็นว่าถ้าเหล่านั้นตั้งความปรารถนา แล้วก็ไปยืนยันอย่างหนึ่งว่าการให้ทานแล้วตั้งความปรารถนานั้นคือหลักการอย่างหนึ่งคนสมัยนี้เก่งกันเยอะนะฮะเอาไว้พูดอะไรพูดมาจากไหนเรคนว่าให้แล้วให้เลยฮนะไม่ต้องตั้งความปรารถนาไม่มีทางแนหะมันมีเจตจำนงเขาเรียกว่าสันเจตนามันมีเจตนาในความจงใจเราทำอะไรไนมะ่มีทิศทางเราทำทำไมอ่ะมันต้องมีเป้าหมาย ทำอะไรทำไปทำอย่างไรทำไปเพื่ออะไรทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไ้ตัวประโยชน์มันคือเป้าคือสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการมันก็เหมือนกับ น, นิโรธอ่ะมันคือเป้าคือเป้าหมายที่เราต้องการเราก็ต้องอธิษฐานว่าจะริ่มมรรคเนี่ยให้เต็มที่เลยจนบรรลุนิโรธเพราะนิโรธก็สิ่งที่เราอธิษฐานใจเพื่อจะได้เพื่อจะถึงเพื่อจะบรรลุมันเป็นปกติวิสัยนะฮะคือทำอะไรก็ตามมันจะต้องมีเป้าหมายของมัน นะอะไรอย่างไรเพื่ออะไรแลว้วก็ได้อโดยวิธีการยังไงไอ้ตัวเพื่ออะไรเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราจะต้องตั้งเป้าหมายเพื่อให้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นต้องฟังทั้งหลายใตโรกพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไพบูร์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี